เรื่องมนตวาดผีคาถากันหลายตายตอนที่หนึ่งโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโยขอ น, น้อมน้อมแด่พระผูมีพระภาคเจ้าผู้เป็นบรมครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย แม่ปรินิพานนานแล้วพวกองค์นั้นด้วยเสียงกล้าวมมมนนพุุกกาาาาาสตตตรร พอหน่ยอยพรสิริสวัสดิพ์พี่ัฒนมงคลความผาสุกทุกประการทุบังเกิดมีแดดญาติโยมพุทธบริษัทพี่น้องร่วมพุทธศาปนาสาธุชนผู้มีความสนใจใฝ่ในธรรมผู้สวงหาคุณงามความดีผู้ใฝ่บุญใฝ่กุศลทั้งหลายโดยทั่ว ก, กันทุกท่านทุกคนในโอกาสนี้ วันพระวันนี้ก็ได้เวียนมาบรรจบครบรอบอีกแล้วครั้งหนึ่งตามทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งนี้ได้กลายเป็นขนมตำเนียมประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามบ่ายสี่โมงตรงทุกๆวันพระก็จะได้มีการกล่าวแสดงพระธรรมมเทศนาปาทะกรถาธรรมบ้างธรรมกระถาบ้างเป็นประจำทุกๆวันพระให้พี่น้องร่วมพุทธศาสนเนื้อตาทชนผู้ใฝ่ในคนงามความดีได้รับฟังและทาการศึกษา ตอนนี้เมื่อเวียนมาบรรจบครบรอบก็เลยมีโอกาสดีที่อาจารได้มาพบกับเพื่อนร่วมพุทธศาสนาสาธุชนทั้งหลายซึ่งตามปกติแล้วก็ได้ห่างเหินไปหน่อยเพราะว่าการงานมาโผล่มื่เมื่อทางศาสนาก็เป็นอันมากอย่างไรก็ตามเรายังมีโครบาอาจารย์ผู้ทรงคุณพุทธที่ผู้ทรงศิลสุตตาที่คุณภาวนาที่คุณปัญญาที่คุณเพื่เดชประคุณท่านอาจารย์พระมหาบุญเลศิศอินทปัญโยแห่งวัดเนื้อแล้วก็ท่านอาจารย์ มหาดวงใจล้วนแต่เป็นพระธรรมกถาถิดเป็นกูบาอาจารย์ที่มีความรู้ความสามารถปะเปลี่ยงปะพวกเบเรียนเอกกันทั้งนั้นนึกว่าเป็นบุญเปกุศลของเราที่ได้เกิดมาร่วมสมัยกับท่านเหล่านี้แต่วันนี้ท่านเหล่านี้ท่านก็ได้พักเป็นเขียวให้อัตมาได้มากล่าบทำมิกระถากับเพื่อนร่วมพุทธศาสนาสาทุชนทั้งหลายอย่างไรก็ตามเมื่อมีโอกาสได้มาพบกับท่านต่างหลายแล้วก็จากกั ไม่ให้มันเสียเวลาเมื่อเพราะเวลาเรามีน้อยอาจมาคึ้ไปขึ้นมาว่าจะเอาเรื่องราวอะไรมาพูดให้พี่น้องทั้งหลายได้ฟัง ก, กันก็พอดีพอดีในระยะนี้นเกิดวิกิการอันหนึ่งคือเกิดความหวาดกลัวต่อโลกเหล่าอิไร้ตายกลัวผีแม่ไม้จะมาเอาไปเป็นผัวผู้ชายทั้งหลายก็พากันหวาดกลัวทังกับทาเล็ตทาปากเขียนคิ้วอีกหน่อยก็คงจะต้องเป็นดัดผมใส่เสื้อยกทรงเดี๋ยวนี้ก็มีการซื้อพผ้าผงมานุ่งกันแล้ว ขงเบลศาสนะเช่นที่เกิดขึ้นมาแล้วในภาคอีสานของเราหน้าสมเพชเวทานาน่าสงสารเ <c oughs> นื่องจากว่าพวกเราเน้นมีความเชื่อกันอย่างนี้ก็เป็นส่วนมือความจริงและพุทธศาสนาได้อย่างรากฝังลึกสู่ส่ว น, นภูมิคั้งแรกก็ตรงที่ภาคอีสานและประเทศราว น, นี้แหละพุทธศาสนาได้อย่างรากลงตรงนี้พระธาตุปนมพระธาตุเชิงชุมรู้รวันแต่เป็นตัญรักษ์ศักด์ สีสักขีพยายนบ่งบอกถึงความเจริญรุ่งเรืองแห่งพระพุทธศาสนามาเป็นเวลายาวนานก่อนที่อื่นใดในสุวรรณภูมิภาคกลางภาคใต้ภาคเหนือไม่มีชื่อเกี่ยวกับสุวรรณภูมิแต่ในภาคอีสานนี่มีอำเภอสุวรรณภูมินจังหวัดร้อยเอ็ดมีจงังหวัดสุวนนณเขตแขวงสุวนนาเขตประเทีราวนล้วนแต่อยู่ตรงนี้เท่านั้นพระจ่าปดาได้มาฝากอุรังคถาตประชุมร้อยพระบาทไว้ดี่พระธาตุพนมพระธาตุเชิงชุมพระธาดุ พระบาทโพนสันพบาทเวินปาทั้งหมดนั้ น, นรู้ว่านี่เป็นเครื่องบ่งบอกถึงความเจริญในทางพระพุทธศาสนาแต่ชะ น, ยนัยเนาลูกศิษย์ตาวชของพระพูมธมีประภาคจากในยุคมีจึงถึงกับตกต่ำขนาดนี้มีความสะทานญ่านกลัวหวาดกลัวต่อภัยซึ่งมองไม่เห็นตัวแล้วพากันญ่านตายกลัวผีเมื่อจะมาเอากลัวว่าจะเกิดโรคหลายตายเรื่องนี้มันเกิดขึ้นมาที่คนงานไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนผ่าอีการเดินทาง ไปทำงานที่ประเทศสิงคโปร์แล้วก็พากันนอนหลับไหลาตายผู้ง่ายก็คือนอนหลับตายไปเลยแล้วก็เลยพากันหวาดกลัวใหญ่ปีนี้จะแพ้ผู้ชายฝาเข้าไปนั่นเอเป็นคุยอยู่ข้างอย่างคือบึ่งเตื่นเสียมกันเทนอ้อ้ควยเถาเตื่นไถถือจาบตนาพุธมายาวไกลก็เลยไม่มีที่พึ่งหันไปพึ่งอะไรกันอีกแล้วทีนีวันนี้ก็เลยคิดไปคิดมาคิดได้หน้าจะต้องเทศในเรื่องนี้ วันนี้จะขอปาทกระทารมในเรื่องมอนตวาดถีคาถาตะไลตาย <c oughs> ฮึ่มตะไช่วยฟังก็ดีแล้วก็จดจำไว้ให้ดีถ้าปู่ใดหวาดกลัวรักตัวกลัวตายเบื่อน า, นายต่อสภาพเช่นนี้ไม่ต้องไปเสียเงินเสียทองไปซื้อยาทาเล็บทาปากไม่ต้องไปซื้อเสื้อยกท้องไม่ต้องไปซื้อสินผาดพ้งมันหนุงหอมไม่ต้องไปถาไม้ทำรูปปลักขิกอวัยวะเครื่องเพศยปู่ชายเครื่องเยี่ยวมาหอยตองเตงขายขีดหน่ะ เสียยี่ห้อชาวพุทธหมดเลยวันนี้ก็เลยคิดได้จะคุยเรื่องมณฑ์ตวาดผีอา้าวสาใครกลัวตายแล้วก็ฟังทางนี้กันหน่อยพวกเราทั้งหลายเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าแต่ลูกศิษย์ของผู้รู้ผู้เตือนผู้เบิกบานจําใสรู้ข้อที่คิดรู้กิจที่ทํารู้คําที่กล่าวอะไรทําไมเพื่ออะไรโดยวิธีใดอะไรเมื่อเกี่ยวข้องกับเราเราไปเกี่ยวข้องกับอะไรจะต้องรู้ชัดมันลงไปเพอเห็นนั่น ถ้าหากเราอยู่ในสภาพเช่นนี้เรายังเป็นอุบาศกันไม่ได้อุบาศกอุบาสิกาผู้นั่งไกลพระตนามตรยัยมีคุณธรรมห้าประการพระพุทธเจา้าท่านบอกหนึ่งมีสถามั่นใจในพระพุทธประธรรมประสง์มีศีลควบคุมกายวาจาให้ปกติไม่กระทบกระถังเบียดเบียนตนเองและผู้อื่นต่อมาเกาะมี ความเป็นผู้เชื่อในเหตุในผลเชื่อกรรมเชื่อวิบากเห่งกรรมคือกรรมและผลของกรรมไม่เชื่อมองคนตือนข่าวเขาว่าผีแม่ใหม่จะมาเอาผู้ใช้ก่อพักันตือนเพ้อเวอ่อร์เผวเวพะเวพะวบเผวะคูะอ่อยู่ข้างอย่างคือบึงเตือนเสียงคือ้วัยเถ้าเตือนไทยกันย่านตาย เดี๋ยวก็บอกว่าภาษีอานเกิดตรงโน้นก็อเหตุกันไปภาษีอานโผภาษีอานเมเกิดขึ้นก่อพากันไปเดี๋ยวผู้มีบุญเกิดขึ้นสงสารผิดน้องชาวอีสานเราเหลือเกินทําไมต้องเป็นอย่างนี้ปีสองพันสี่ร้อยสี่สิบสามสี่สิบสี่อ้ามเกิดผีบุญผีบาปขึ้นบ้านอำเภอกุทธกรอาเภอตะการเผดพันธ์จังหวัดอุบลราชธานีคนอีสานก่อนหลังไลก่กันตายผู้มีบุญก่อไปเข้าเป็นสมาชิกของผู้มีบุญ ผู้ผีบุญส่วนพูกที่ไม่มั่นใจว่าตนเองจะมีบุญเป็นผู้มีบาปเป็นผีบาปก็ไปหาหาแพร่หาต า, า, า ย, าายไปตัดกำตัดเวนหับเพรายมาไหวมันจะกลายเป็นเงินเป็นทองอว่ า, ากันเข้าไปโอ้ย่าสมเพจเวทานาหรือเกินอะไรอะไรก็มาลงกันที่ภาคอีสานบ้านเราทําไมจึงเป็นอย่างนี้เมื่อพายุ เกทลมปากใต้คนอีสานตายมากที่สุดอ้าวถ้าเป็นไหลตายอยู่สิงคโปร์คนภาคอีสานตายมากที่สุดไปทุกรอยเพในทะเลทรายตะวันออกกลางซาอุดีอาระเบียของคนอีสานมากที่สุดทําไมน้อจเจงเป็นเช่นนี้เราไม่มีศักยภาพอะไรเลยหรือที่ิี่ทางตายทางนน้นตายและทางนี้ก็หวาดกลัว พระพิพธจธเจ้าสอนเราให้เป็นผู้เชื่อกรรมจะไปทือ่มองคลเตือนข่าววอกโดห่องบนได้วาเดชนี่ห่องบนได้วามูลเขาวายาดเอียงกะย็ะยาดก่อนผีบาศผีบุญเกิดขึ้นที่จังหวัดอุบลราชธานีอ้าวนักบุญบ้านน้องบักแกว้วผู้มีบุญบ้านน้องบักแกว้วอำเภอวังสุพงจังหวัดเลยก็คือการ น, นั้นแนี้ยปีนั้นไล่กันมากับพากันวาดพาการกลัวอ้าวเดี๋ยวผู้มีบุญเกิดขึ้นเดี๋ยวอันนั้นธรมะฮโดนเกิดขึ้นเดี๋ยว มีพวกมีบุญเ น, นีน้ยคงเลี้ยงขาอะไรก็โผขึ้นมาในภาคอีสานนี่แหละเยอะที่สุดเลยแล้วภาคอื่นเป็นยังไงพอเพระเหตุนั้นชาวอีสานของเรานี่น่าสมเทศเวทนาน่าสงสารก็เลยพากันหวาดกลัวคนที่ได้ไประโยชน์ก็คือร้านขายเครื่องสอําอางยาทาเล็ยบยาทาปากท่านั้นอาจจะคิดว่ามันเป็นหยัง่งเดียวที่มันสัญญาณตายก็ต้องการเอาไว้ว่าธรรมดาธรรมดาถ้าหากเรา มั่นใจในการเป็นอยู่ของเราเชื่อกรรมไม่เชือมงคนเตือนข่าวว่าชีวิตนี้ไม่เกินร้อยปีก็จะต้องโบกมืออำลาญาติมิตรดวงอาทิตย์สัตรูขัว้วเวนใครไม่ข่าวเราก็จะต้องตายไม่ตายหนุ่มก็ตายเถ่าบางคนเกิดมาตายมาแล้วตั้งแต่ในท้องมันจะผมมีแม่มงแม่ม่ายอะไรเอามาดอง แต่พวกเรานั้นพากันหวะกลัวอาตมาไปเทปไปปลาธกธาทาในที่ต่างๆเห็นแล้วก็สงสารพี่น้องเราบางคนเท่าเกือบตายแล้วผู้ชายหัวหงอกมาใส่บาตร ท, ทาเล็บเินเทงทั้งมืออุบสนั่งกเชื่อวันก่อน ไปวัดเคลื่อนที่ไปอบรมที่น้องทางเมืองอุบลก็มีผู้เถ่าท่าเล็บแดงๆมาใส่บาตรโอ้ยแล้วสมเด็จเวญนามาทางเมืองตะกณ์นครนครปนมน้องขายกระปัดเป็นอีกคือกันแม้ตื่นกันเลือกเกินตื่นงัวตื่นควายลังกันไหวตื่นประชาชนที่ปไตยแบบกระต่ายตื่นกูกตูมนี่ดึงกันไม่อยู่เนียนะหรือว่ากระต่ายตื่นตูนตม คนโบรานพูดไว้ในหนังสือปเสนว่าการมือห่อนห้อมไปเป็นยอมแหล่ยอมมีผอบาดหลายหล่นกว่าคนคนมีหน่อยนายไหลเลือภัยหัวดอนด่น้ากนก่อนดำกว่าสันหัวดอน่ายนํากนก่อนดําคนหัวดําคนหนุ่มคนสาวเขาซื้อเล็ดเขาซื้อลิสติกมาทาปากเขซื้อยามาทาเลทเป็นคนหนุ่มคนสาวเดในหัวดอน หัวงอกแล้วก็ยังมาทาเล็บแ ด, ง, ดงแ ด, ด, ดงแน่หัวดอนได้น้าก้นก้อนดําว่หัวงอกหัวดําไปก่อนหัวดอนน้าหลังมองแต่ในแง่ที่มันไม่ค่อยจะดีเดีย๋ยวนี้ผู้ใหญ่ผู้เฒ่าเขาวิ่งตามเด็กน้อยแล้วทาเล็บแดงแดงเพราะเห็นนั้นวันนี้จะต้องพูดคาถาตันไหลตายมนตวาดผี เอ้าถ้าใครกลัวผีถ้าใครกลัวหลายตายก็ช่วยกันฟังเป็นปกติมานานแล้วตั้งแต่ศาสนาพุทธยังไม่เกิดขึ้นคนทั้งหลายเขากลัวตายเขาไปหาภูเขาบั่งป่าไม้บั่งอารามลูกหาเจดีสวนป่าเจ้าทุ่งเจ้าถาเจ้าป่าเจ้าเขาไปมอบปราบคาบเกี่ยวยอมแล้วอย่าเห็นให้ภูคาเด้อไง ก็เลยมีผีมีสางขึ้นมาเป็นความคิดของคนเราพระหุณเวสลนังยันติปภพตาในบรรดาเนจะอรลามลูกัจเจติยามนุษยาพยาตัดชีตาพระพุทธเจ้าของเราท่านพูดมนุษย์เป็นอันมากย่านตายเมื่อเกิดภยัยคุกขามภัยมาจากคํำว่าพยบแปลว่ากลัวกลัวภัยนําไปว่ากลั ว, ล ว, ไ, ป ว, ลวไปว่ายานเมื่อย่านมาเลี้ยวยานยังแต่ยานตายนั่นแหะย่านตายก็วิ่งไปหาต้นไม้ภูเขา เจ้าทุ่งเจ้าถาเจ้าปลาเจ้าเขาไปบนไปบานไปซานกล่าวถ้าคนลาวก็ถันเศร้าแหลวซีเหลืยงเนี่เลีืองแ ง, งบานแล้เหล่าให้ไก่โตคนลาวเราชอบกินเหล่าให้เหล่าโทสมัยก่อนไก่โตที่แท้กับคนเป็นๆนีน่ละอยากก็เลยคิดว่าผีก็คงจะอยากแนวนั่นถ้าเป็นผีผี่น้องทางเมืองจีงก็บอกข้หมืบายเสยนาหลวงเจ้าน่ะถ้าเป็นผีทางพวกฝรั่งก็คงจะต้อง ไปเส้นสวงวงบนด้วยขนมปังมกักกะโลนีเอ้ยฮอทดอกเอ้ยอะไรต่างๆก็ว่ากันไปอันนี้เป็นมนโนภาพที่เกิดมาจากสัญชาตญาณอันหวาดกลัวแล้วก็คิดว่ามันคงเป็นอย่างนน้นอย่างนี้เรื่องผีเมียให่นี่ก็คงเหมือนกันก็เห็นผู้ชายเป็ไหลตายมากๆถือสิงคโปร์ก่อ ก็เลยคิดว่าผีเมย์มาเอากระลองให้ผู้หญิงไปทํางานเหมือนผู้ชายที่สิงกะโฟบกมาว่าไปทํางานอย่างเดียวกันดูอย่างเดียวกันกินอย่างเดียวกันนั่นก็จะตายอย่างเดียวกันก็ที่นี่กับผีพ่อแม่ได้บาดมีเหตุจังได้ยอมผู้หญิงก็เลยจะต้องไปซื้อทำไงตัดผมสั้นทะี่นี่แหละนะตัดผมสั้นหรือกางโกงกางเกงอะไรมาใส่ให้หมุดรวยอีกเจ้าของคนที่ขายพอเหตุนั้น เรื่องนี้เราจะต้องมาทําความเข้าใจกันหน่อยพระพุทธเจ้าบอกว่าการไปพึ่งพาอาศัยเหล่านั้นไปหลอกให้ผียันหลอกให้ผีหลงความจริงมีแต่ผีหราคนหนึ่คนจะหลอกผีหลอกให้ผีไม่หมายเห็นว่าโตเนี่เป็นไหมนี่งคนประเทโอ้ยน่าสมเพชเวทนานี่ทุกหลอกกันอีกแล้วทั้งบ้านทั้งเมืองไม่ใช่เราไปหลอกผีนะ ผีคือคนปาถนาผลประโยชน์กำลังมาหลอกเราอย่างปีก่อนก่อนู่นอาจมาเกิดมาใหม่ๆได้ยินข่าวว่าคนเกิดปีมะจะตายให้ไปเส็นทววบวงบุกันให้ไปแก่กันทาบุญกันคนเกิดปีมะมันหลายมะนะมะเมียมะเมมะลงมะเสียเนมันจะมีคนมาบอกมันหลายมะตั้งสีมะมันก็เลยจะต้องเสียเงินเสียทองกันเยอะอันนี้แล้วเนว่า หัวดอนได้นึ่มก้นก่อนดำเด็กน้อยไปก่อนแล้วเขาทาปากแดงแดงเขาทาคิว้วโกงโกงเข้าเขียนปากทาเล็บเอาแล้วผู้เท่าก็เอาด้วยยันไม่ทันเขาด้วยยังไงนี่แล้วก็ไปบอกว่าหัวดำไปก่อนหัวดอนนำหลังคนโบรานน่านพูดไว้คำหนึ่งว่าใส่หลังหลาประมาณปลาเถอะแต่เตาไปย้ำอย่างมือเสาค่ําพอว่าเม็นพนน่ะนะ ความจริงได้แต่ความโง่ อ, งอยู่ตลอดไม่มีวิวัฒนาการของตนเองไปเลยเพราะเหตุนั้นอาตมาจึงคิดว่ายัางไงยังไงวันนี้ตรงมาพูด ก, กันเรื่องมนตวัดผีคาถากันไหลตายเสนอรายที่ตั้งใจฟังก็คื อ, อ, อ, อนั่นโบดแทบบาดที่ว่าเตรียมตัวอระกรรมมาจดรถดพืจะเล่าให้ฟังว่ามนตวาดผีแต่ใครจาคาถานี้ได้ ก็ไม่ต้องกลัวว่าผีจะเอามาไปกินผีพอหมายแม่หมายต่อให้พ่อผีก็ามาทําอะไรไม่ได้จะเให้ดีแล้วเตรียมเมืวว่อกรทันซาดก็พูดเรื่องคาถากันผีเหตุให้ฟังแล้วสถานเป็นยังไงมีใครจําหน้ามีใครอาไปทำนั่นและก็บอกหวยก็เอาอาตมา ใ, ใครอยากถูงเร่งมาบอกแต่ปรากฏว่าบอกแล้วไม่มีใครซื้อเขาซื้อแล้วมันถูกเขาอยากจะเสียเงินเขาไม่ซื้ออย่างที่อาตมาบอก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 ลักษณะอาการตายของคนโดยทั่วไปนี่มันมีอยู่แปลกๆอย่างนี้แหละเพราะว่าคนโบราณก็เคยพูดไว้ให้เราเห็นว่าในอนาคตตการ พ, พราาศศาสนาลวงดำ2สองพันปีปลายเศษไปนู้นถึงเขาแข่พันที่สามอับปีเป็นต่างไปลงร่วงเรืยเมื่อคนทั้งหลายจะพากันนั่งตายนอนตายยืนตายนี่เดินตายนี่อะไรนอนตายก็คือไหลตายเนี่ยทา่านกล่าวไวในหนังสือผูกหนังสือใบลานหนังสือ กอลำพื้นมืองคนโบราณดูเหมือนจะท่านเหล่านั้นเมื่อกับจะรู้จักเหตุการณ์หลังจะเกิดขึ้นล่วงหน้าก็เลยได้เล่าเล่าเอ า, เอาไว้ไดเขียไว้ในห น, นังสือโผลหนังสือใบลานอย่างหนังสือลําเพือนเมืองเนี่ยเป็นหนังสือโผลใหญ่พอสมควรแล้วก็เล่ามาตั้งแต่ไล่มาตั้งแต่พระพุทธเจ้าประวิญพานธ์ใหม่ เหตุการณ์ของภาสาตนาะเหตุการณ์ของชุมชนบ้านเมืองความเป็นไปดินฟ้าอากาศตลอดทั้งปพยาติโรคค่ะอะไรต่างๆเล่าไว้หมดเลยคล้ายๆกับท่านเหล่านั้นมียานชั้นะที่รู้ล่วงหนะ้ขาขอให้เขานำมาเล่าเหตุการณ์ที่มันเข้ากับอาการไหลตายในขณะเนี่้นั่นยุตตอนหนึ่งที่พวกปู่เถ่าเล่าไว้ในหนังสือไมลารเรื่องล้ำพื้นเมือง ถ้าเขีว่าศาสนาหลวงเขาถึงเขตพันธ์ที่สามหักอัปีเป็นต่างไปเรื่องเลยฟุกหมูดสังโคเจาไปบวชนําหลังผักไหลลาป้าบอตามห้องเขาคือว่าอุโบสถนั้นบะผ้ า, ากันสวโสดซะแล้วเมื่อวันที่ผ่าคำนั้นเลื่อยจ่อยบอสั่งสอนนี่ขอนี้ก็มีมากแต่นี่ไม่ค่อยจะลงอุโบสถสังฆกรรมกันด อ, อกตามมานนอกบ้านนะตาต่างองตาอ่างโยปีกองแรงกองดึกขอให้รู้ว่าเป็นวันพระเดิมมาจังหันได้หลายนน่อะไรทำนองเนี้ย แั่ไม่ค่อยจะลงกันจริงๆต่างคนต่างอยู่ถ้านอยู่กันบางอย่างวัดที่ท่านอยู่กันมากๆท่านมีพอท่านก็ลงเท่นั้นเองเนี่บางวัดเล็กๆน้อยๆมีพระองค์สององค์ไม่ค่อยจะสนใจจะเดินไปรวมวัดโน้นวัดนี้บางไม่เอาเถื่อที่ถือมาหน้ากันไปอย่างนั้นคนโบราณจึงบอกว่าฟงหมุด ต, ตังโคจะไปบวชนำหลังพากันไล่ล่าปา้าบอตามข้องเขาคือว่าอุโบสถนั่นบว า, ากันสงสวร์เมื่อวันสิบห้าค่ำนั่นก็เลยจ่อยบอสั่งสอนไป ฆ่ากันทับท้อนถิ่มถมข้องของเก่าปาดิหมกเหล่านี้บ่มีใดสูดเหี้ยนแท่แล้วหาแต่คว่ำตนุกเล่นบ่มีเลยเสโอเอาวตั้งแต่คว่ำตัวหายไปหนามุนมองตั้งต่อคว่ำตัวหายไปหนามุนมองสมงหมูสังขเจ้าบอกกลัวหยาดบาปปาปังว่าแต่เห็นทางเสด็จกำไฟาทางตนหาบ่ได้อะไรถึงต่อทำผู้โทเจบนี่แต่เธอมิดซ่าทิธีแทน กวบกลมกันหันใส่ส่วนว่าผู้ถือทำวินเนเตะฮะใดยากแค่แท้แล้วว่าสันคนโบราณพูดนะไม่ใช่ดังมาพูดเราเองเลยมาเล่าให้ฟังเมนจะนับเป็นร้อยเป็นพันก็ตามสั่งฮะผู้ถือเถียงหมันทำตะเจ้าเมนบ่มีแท้แล้วเกิดเป็นอารัจเซ็คบ่ฟังคำสั่งสอนสั่งอุปชาผู้บวชให้แต่แผล่บ่ยำย่าดพอเม็ดงานางแห่งเคียดให้อุปชาซึกวันนี้บวชพรุ่งนี้กับอุปชาคนใหม่อย่างนี้ก็มีเดือดเดืด บางเมืองรองเป็นอย่างนี้จึงบอกว่าอุปชาผู้บวชไห่แท้ๆบอยำหยานทอเม็ดหน้าเพราะวา่าเมธ่าไทยผู้โห่แห่งธรรมขันก็บอกลัวเกงกันกาวขวันทางฝูเขินฟงมูเซนหน่อยบ่อมีกลัวผู้ใหญ่เพราะว่าเด็กหนุ่มหน่อยบ่กลัวเถ่าแก่เสลาบุตรีบุตราหน่อยบ่ฟังคำพ่อเมมิจิสอนใจใจไปแล้วกะเล่าเสยอข้าเสือโทรทัศน์น่น เขาเชื่อ น, นั่งเชื่อละครก็าจะมาเชื่อพ่อเชื่อแม่หุ่เจ้าเอียงเจ้าก็แต่แห่งดินบมะยูมีปลากเอาไว้ถ้าเคี้ยวมากก็อยู่สูสีอยู่สมเท่านี่เขาด่าเอาซําพ่อแม่กันหนา้าเขาส้ายักตายเดีอตอนนั้นแล้วบาดเคยพยายาเยงอยานตาหน่าเจ้าโคตรวะ ท, ทันค้นทำบุญเขาบ่ได้ย่อนหย่านิน่งทาตับชมเห็นไผ่บ่ถือไผ่แท่ถือตัวเองอวดฉลาดเ พ, าพดราะว่าผูปกครองกับบอตั๋งทเที่ยงมัน ใ่แห่งข้องทํามีแต่การคมเหงบเทเยียงทําทรงไหวอันวโจโ ล, โลนั้นก็มีหมากเลร้ายมันบก่กลัวเกง น, นายเทียวระดมเร่วป่นมันจะเป็นตานายทั้งกั้งวันกลางคืนเทียวระดมเร็วป่นเพราะว่าฟุง้งนายนั่นกินนากันทูกสองวันแนะปองไห้เขาสัา่มเติมทาวี้เจ้านายก็เอานํากันแนะปองไห้เขาสั่มเติมทาวี้จับบีบขี่กินดีเลยห้ามาปันกันเฮ้กว่าสัต ก็เลยป่นกันทั้งกลางวันกลางคืนป่นแบบไหนป่นแบบเดเรคชันหรือ i ินเดเรคป่นทางตรงป่นทางอ้อมก็ได้อยู่ดีๆเอาหนังเอาละครยังมาต๊ะาตั้งเนี่ป่นทางอ้อมเนี่ยนี้เจ้าหลอกปอเอาเงินมาให้ค่อยไวๆเจ้าทอนมันเอาเงินมาให้ค่อยไวๆเจ้าที่เอาขึ้นบ้านเอาเงินมาให้ค่อยไวๆเอาหม้อล้ำเอาดนตรีเอานังเอาดิสโก้เทคเอามาป่นเอาเงินในกระเป๋าคนนั่นี่เราป่นทางเวรกลางคืนผิดกฎหมายก็ไม่ผิดทหากินน้ากัน จึงบอกว่าเจ้าน่ายบ่อต่างเถียนไม่ไม่ทำวกหมูโจกรก็เยลยเทวระดมเล่่ฝนทั้งวันกลางคืนเทวระดมเล่่ฝนละ่ันเพราะว่าเจ้าน่ายนั่นกินน้ำกันถูกสองเนี่ยปองหาเขาสับนิงทวีมันถักเป็นดังนี้จึงห่อนเฮงทั้งสรงผู้ผู้มูเทพาพายบ่อแร่เล้งเยี่ยมจึงได้มาเทีย่ยวเขาหัวใจข้นบาปถ้าไม่เกิดอปดุปปาลัดขึ้ น, นี่แฉสู่อันเน่ามาฝนตกนั่นบ่อตามระดูคือเกาโตกก็หักตกหมากหล่นจนถว่มตัวเด่น แรงก็หักแรงมากหล่นจนแผ่นดินเป็นพง้งอันวนาวก็หักน้าวเลอเกินตา่างหลังหลายสัตวอันวฝาก็หายกระดดจนวพาคนตายต่างหลายแนวเป็นนับประท้องถึงได้อีฟุ้งมูลโลกฆ่าไข่วัดไอพญะเพยบางพองเป็นขีกาเ ข, ขื่อนหิทหายขีกากสู้บางพองเป็นวัดไข่ไอก้กระยื่เขื่อนหาบางพองอื่ือทองปูมรวงทองไข่บางพองขี่ตลอดตอดแปดหเิ่งเรื่อยบวขาดตายค่นว่าฟุ้งมูลสัตว์หาย มูเส้นหายอันตัลไลมีมากเกิดขึ้นทัว่วภาคเผื่อดินดันทั่วไปฟุ้งมืแม่งหมดไหมกับเกิดมีผิดไถ่ไปตามติด ต, ต่อตายตึตกตนเนียนแม่งกระวมตายหนี่กันมีมาแปลกแปลกบรได้เป็นดังดง่เดิมเขาเกาลังล่างคนนั่นกินเขาหนำน้ำกันพัดลมเท้าเลยดาวดิบตายจ่อยบอ่อขึน้นล่างคนนอนในห้องน้ำกันบอ่อหั่นเตือนป่าท่าปุ๊กลุกขึน้นตายแหล่าแต่หึงไหลาตายอันนี้น ะ, นะข้อารกพี่ปุ่งยิง สอนไหวร่างคนนอนในห้องนั่งกันบ่หั่นตื่นแบบบ่ ป, ปุกลุกเห็นผัตายแล้วต่างไปเหงล่างคนไปบ่ฮั่นตึงห้องเพื่อนตนกระหลมเทาเลยเราหมดห ม, อดหม่อมเนี่ยตายสับโมขึ้นอุบานี้มีมากเลือล่อนไหลบ่จะพรันานานับอ่านดูไปได้เพราะว่าทั้งดินฝานมผลบอกว่คือเกา๋าคนบ่ถือเหตุเขาห้องพระเต่าแต่ปฐมรสัมมันเป็นอย่างนั้นเทวดาก็เลยบันดลเขาหัวใจไปต่างโตะระวางศาสนาเคืองคอยทําให้เกิดเป็น เอาล้น้องูภาษาพื้นบ้านอีสานบ้านเฮาเวาให้ฟังนี่คือคนโบราณพูดเอาไว้ในหนังสือลำพื้นเหมอมีเยอะมือ ม, ม, มากนะขอพูดเพียงแค่นี้เราให้ฟังนี่คือเลิกไหลาตายคนโบราณก็ได้พูดไปแล้วมันจะตายกันอย่างหไหนด้ดีสุดที่นี่จำยังไงจะไม่ไหลาตายท้าเล็บแดงแดกันได้ไหมท้าปากแดงแดกันได้ไหมดัดผมเหมือนผู้สาวกันได้ไหมซื้อเสื้อยกทรงซื้อถิอ่มาใส่กันได้ไหมบ่ได บางคนเกิดมาตายเมื่อหลายเดยในท้องก่อนนี้บุหันหลาหลายตายนี่คือความจริงธรรมชาติเกิดแก่เจ็บตายสัตว์ยานมันยังถ้าทําคุณงามความดีว่านี่พร้อมทําดีไว้ก่อนตายมีเตรียมตัวไว้ก่อนตายเตรียมกายก่อนแต่งเตรียมน้ําก่อนแรงเตรียมแรงก่อนไปเตรียมใจก่อนสู้อยู่อย่างไป็นผูกไม่พ่ายแพ้มีสติสัมปชัญญะอยู่ตลอดเวลาจะเป็นจะตายไปไหนมาสิสําึกสิไปหาญาติ ถ้าหากเรารู้จักตัวรองเราให้ดีๆมีสติสัมปชัญญะย่านอียงหนอสั่มตายตายกับเกิดมันก็คือนอนหลับก็บตื่นขึ้นมาเท่านั้นเองพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายเอ๋ยเรานอนหลับทุกคืนหูมื่อบอกมันหลับยามไหนบอกาเมื่อจ้อยตื่นขึ้นมามื่อว่นจะมันหลับหลับยามไดลองซ้อมดูดีซึ่งบอกเวลาหลับมันหลับเวลาไหนหลับกับตื่นมันแยกกันตรงไหนดูเสร็จนอนหลับทุกคืนรู้จักไหมว่ามันหลับเวลาใด เลยเมื่อจึงรู้ว่าโอ้จะเม่มันหลับหลักหลับเรื่มใดนี่แหละคือความไม่เข้มแข็งของสติสัมปชัญญะคนที่มีสติสัมปชัญญะจะรู้เท่าทันแมอาอการนอนหลับการหลับคือการตายน่อยตื่นขึ้นมานันคือการเกิดอีกเลี้ยงมากก็ตายต่อตื่นขึ้นม า, กาเกิดอีกก็อยากสิเรียกว่าตายหน่อยตายชัวย่วขณะตื่นชั่วขณะอยู่เทียบตายแล้วเกิดเกิดแล้วตาย เวลาหลับก็บตายน้อยตื่นขึ้นมาก็เฮ้ยนี่นี้มันก็มีอีกตายใหญ่ก็คือตายหามไปฝังเลยหามไปเผาเลยเทอรามานี่หน้ากุฏิคนไม่เลวคุณด้วยยังตเตรียมตเตรียมตเตรียมฝังบอกพระเนนที่วัดบอกตลอดถ้าผมตายไม่ตรองรุ่งอยากลําบากนะฟืนที่วัดเรามีเยอะกว่าขน ข, น, ขนมาสมเข่าท่ันทั้งหลายกันได้มาติกาบังสกุลกันเสร็จเรียบร้อยคุณงามความดีทั้งหลายผมก็ได้ทาไว้แล้วถ้าหาชาติหน้ามีท่านก็ไม่ต้องห่วงผม ท่านลงลายจนห่วงตัวท่านประพฤติปฏิบัติธรรมเท่ ท, ที่ครูบาอาจารย์ได้สอนไว้ให้มันจะมีอะไรมากกว่าการตายการตายก็เหมือนการนอนหลับท่านมีสติสัปปชัญญะโอ้ยตั้งใจตายอย่างสาบายแห่ พระอริยเจ้าพระอรหันต์ต่างหลายท่านไม่อยากตายท่านไม่อยากอยู่นาพินันธาไม่มรณะ น, นาพินันธาไม่ชีวิตตั้งเพราะไม่ชื่นชมกับชีวิตที่มีอยู่แล้วก็ไม่ชื่นชมกับความตายที่มาถึงตาหลังจากปฏิกังเขวะนิปิสังตปตะโพยะถ้าเรากําลังรอคอยเวลาตายมาถึงเหมือนลูกจาก้างเราคอยความสิ้นไปแห่งเวลาแห่งการทํางานอย่างนี้สัมปชาญโนปฏิสโตุลามีสติสัมปชัญญะหยกท่านหลายเคยสังเกงตเห็นตะเกียงที่หมดน้ำมันมันกำลังจะหอดไหม เวลาตะเกียงหมดน้ำมันมันก็จะแดงรีลงรีลงรีลงเวลามันจะหมดมันก็มีมีไฟลูกวา่าขึ้นมาสะก่อนแล้วมันก็หมดปตอนที่เราจะหลับก็ไม่ผิดกับตะเกียง่วนที่มันจะหมดมันหมดน้ำมันแล้วมันก็จะดับไปเวลาจะตายก็เวลาจะนอนหลับไม่ผิดกันเหมือนกันเป๊ะเลยถ้าหากท่านมีสติสัมปชัญญะรู้จักเวลานอนหลับอย่างนี้ ท่านก็จะรู้จักเวลาตายไม่มีอาการไหลตายเลยไม่มีอาการห ล, ล, อ, าารลองตายพระรรพุทธเจ้า <c> ท <oughs> ่านพูดบ่อยๆท่านมีโอกาสเปิดพระไตรปิฎกนะถ้ะาไปเปิดพระไตรปิฎกสังยุตติกายมหาวารวคเล่มที่สิบเก้าข้อที่พันสามร้ยสี่สิบเจ็ดหน้าที่สีปปร่ร้อยสี่ฉบับภาษาบาลีสยามรัฐถ้าเป็นฉบับภาษาไทยก็จําไว้ให้ดีว่าเล่มที่สิบเก้ามหาวารวคสังยุตติกาย ข้อที่พันสามรอยสี่สิบเจ็ดแต่หน้ามันอาจจะไม่ตรงกันผู้ที่จากของเราท่านตัดไว้บ่อยๆอยู่ในทีปสโสนในทังกบพูตอนสุดท้ายท่านจะบอกว่าบุคคลผู้มีสติอยู่ทุกลมหายใจเนี่ยจะรู้จักชีวิตเมื่อแต่เวลามันจะตายดูตนเองตายเมือนก็บูตะเกียงมอเสยยะถาปิพิกเวเตลังจกปฏิจัดติงจัปฏิจเตลปทีโปชายยะตะเสวะเตรสะ จวะติยาจะปริยาร hana า น, นาหะาโรนิพายจะขอภยัยผู้เป็นภาษาบาลีท่าน ห, หนึ่งหลายอาจจะค่อนข้างจะฟังยากสักหน่อยจต่เป็นอย่างยิ่งที่จะต้องแปลให้ท่านหนึงหลายฟังพระาศาสดาส่งกล่าวว่าที่สุดทั้งหลายเปรียบเหมือนประทีปน้ํามันจะพึงลุกโธงได้ก็เพราะอาศัยน้ํามันและไส้พอหมดน้ํามันและไส้ประทีปน้ํามันไม่มีเชื้อพึงดับไปฉันใด ที่สุก็ฉันน uh ั้นเหมือนกันเมื่อสวยเวทนามีกายเป็นที่สุดก็รู้ชัดว่าเวทนามีกายเป็นที่สุดเมื่อสวยเวทนามีชีวิตเป็นที่สุดเกาะรู้ชัดว่าสวยเวทนามีชีวิตเป็นที่สุดเห็นไหมท่าบอกว่าชีวิตประยารธนาชีวิตประยันติกังเวทนาเวทยมีติประชาณติการิสสะเพทาอุทังชีวิตตปริยารธนาอิเทวาสพเวทีตานิอภินั้นทิตานิสีติภวิตสันติติประชาณติ ก็รู้ชัดเอาเวทนาทั้งหมดในโลกเนี่ยเวยทนามีชีวิ ต, เ ป, เ, วว เ, ววตเป็นที่สุดเสมอเวทนามีชีวิตเป็นที่สุดจ่อมอรู้ชัดเอาเวทนาทั้งหมดในโลกนี้อังไม่น่าเผิดเพลินไม่น่ายิ่งยีจักเป็นของเย็นเพราะช่วงชีวิตบื้งนแตก ต, ตายแตกทีาทีา่มีสติอยู่ถึงขนาดนี้จะรู้ชัดเลย ว, ว่าเราจะตายแต่จะเรียกเพื่อนเรียกคุง ระดูกับลูกกับตาก็จะบอกลูกเอยหลานเออปู่จะไปย่าจะไปเพราะไงไม่ไงจะไปนี่จากเราละเด้อมีอะไรก็สั่งเสียได้แต่เป็นพระรงฆ์องค์เจ้ากขาจะบอกลูกเสร็จลูกหาวาทันต่างหลายแต่ออกตั้งใจประพึกคงงามความดีมีสติสัมปชัญญะนะผมจะจากไปแล้วไม่ใช่ผมตายร่างกายเนมันจะแต่สลายกระเพื่อมะนีพระนักปฏิบัติที่ท่านมีสติสัมปชัญญะท่านจะรู้อย่างเหมือนดอกจะมากระวนกับวายย่านตาย และพระศาสดาทัรงกล่าวเอาไว้วา่าบุคคลผู้มีสติอยู่ยมทุกลมหายใจนั้นแหละจะไม่มีอาการไหลาตายอาันนี้สอของความเป็นผู้มีสติเยี่ทุกลมหายใจจะไม่มีอาการล้มทํากาละคือไหลาตายไหลาตายและจะมีพูดเอ่ยว่าผู้ที่มีสินนั่นอีกเหมือนกันจะไม่มีโอกาสไหลาตายบุคคลที่ตายส่วนมากเนี่ยส่วนมากที่ย่านตายนั้นคือไม่มั่นใจในการดําเนินชีวิตไม่มั่นใจในการประพฤติปฏิบัติว่าเรามีสินหรือไม่ เราเปนคุณงามความดีพร้อมที่จะตายแล้วมันไม่กลัวตายดอกอย่างอาตมานี่ตั้งใจตายอยู่เป็นประจำหลับไม่ใช่อยากตายไม่ใช่อยากจบวันก่อนเมื่ที่วีสีนั่นไปเทศที่จังหวัดอุบลราชธานีวันเทศบาลแห่งชาติรถวิ่งเลยจะมาสกลนครไปเพราะเราจะต้องออกต้งเดินไปอยูทีสองวิ่งเลยสกลนครไปอาตมามีความคิดอนะนังว่าตอนเดิน ม, มาขึ้นรถก็มีความรู้สึกขึ้นมาทันทีวะเออกลางคืนถ้ารถมันวิ่งไปเดินเมื่อเนี่ยถ้าเกิดไฟมันดับปั๊บลงไปหรือเราจะทํำยังไง คือมันขาดในคนขับก็อมองไม่เห็นถ้าเกิดในทางโค้งก็จะหักไปยังไงก็คงนี้ต้องไปทนเจา้างองตระของจะต้องคว่ำจะต้องตายกันมั้งถ้ามีรถหน้าสวนมาไฟเราดับเราไม่เห็นอะไรเราอาจจะต้องถูกทนนี่นี่ความคิดมันลุกขึ้นมาอย่างนี้มือก็เลยล้วงใส่ลงไปในย่ามไปเอาคอยฟ่ายก็ลเลยถือไปใช้ไว้ในมือว่าถ้าเกิดรถมันวิ่งไปในเครื่องอ่ไฟคอยมันดับคืมันช็อตอย่างนี้เราจะทํายังไงมึงคิดอย่างนี้ ขอเลยจะว่าตะกนอนนครมป็นสู้ขาดจริงๆปั๊บมือเตะๆเลยคนขับไม่รู้จะทํายังไงกำลังวิ่งเหยียบไปร้อยไปมร้อยเลยเอละไมาก็ควักไฟฉายออกมาฉายที่เขาเห็นนี่นี่คืออะไรนี่ก็คือการไหลตายเอกชนิต่างๆเมืออกันคือเรามีสติสัมปชัญญารู้ให้มันเท่าทันวันก่อนนู่นปีที่แล้วเราไปเที่ที่จังหวัดอุบลเอเวอร์ไนท์นั่งรถไปเนี่ยนั่งไปข้างหน้าวันนั้นจะมาเป็นไถ่ด้วย จะไม่ไปก็ไม่ได้เขาในมรดข้าปีข้ามเดือนเอาไว้ด้วยคนที่ในมรดก็เป็นคนที่มีอุปการะแกมาถาวายเงินซื้อที่ดิน่ขยายวัดขุดสระร่วมกับฝรั่งนี่แหละเอ้ยวันนั้นเอ๊ถ้าไม่ไปก็ไม่ได้เป็นทายก็ต่างเดินทางไปในขณะที่นั่งไปในคนขับก็ค่อนข้างจะเมาขับรถเร็วมากเลยใจมันก็คิดว่าถ้าเกิดรถอุบัติเหตุมาเนี่ยคนเต็มข้างหลังเนี่ยเขาจะเจ็บจะปวดเขาจะล้มจะตายเพราะเขามาฝั่งเทศเราปราก็ว่าวันนั้นจากมีความความตอดไป คนก็ไปด้วยเยอะเลยรถไปสองสาคันจะไปฝั่งเทศอาจารย์สมภพที่อำเภอพนาจังหวัด อ, อุบแลแต่มาก็นั่งไปกําหนดสติอยู่ทุกะลมหายใจมีสมาธิโยตตลอดในในลมหายใจพอดีควายสองตัวมันวิ่งไล่กันขึ้นมาบนถนนตัดนะพอมองเห็นปั๊บพอดีในใจมันก็บอกว่าตายเตรีตัวตายเพราะรถไม่มีทางเหล็กวิ่ยงใจมันก็ไม่เข้าสู่สมาธิปั๊บเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นพูดง่ายๆว่าตั้งแก่ตาย เราไม่เอาเองนะร่างกายท่างๆอะไรต่างไม่เอามาทั้งนั้นปล่อยวางเลยปั๊บเจ็บมันก็เว่งรู้สึกความสงบรถมันก็ทนโครมขณะนี่นมันชนควายมันก็ไถกันลงไปในถนนเลยตรากฏว่าควายก็ตายลุกไม่ขึ้นเลยโยกับพี่เลยตัวอีกตัวหนึ่งก็ตะเกียกตะกายไปรถก็ยับเยินข้างหน้าไม่มีใครเจ็บใครปวดออกมาจากสมาธิพอ น, นั่งไปด้วยกันสองรูปคํำแรกที่อาจารย์มาพูดามาว่าสมาธิคุณเป็นอย่างไร ท่นที่นั่งไปด้วยก็คือพระที่ไปด้วยกันเนี่ยบอกว่าสบายมากที่ว่าอย่างนี้เราคุยกันนี่คือคําแรกมรถชนตู้ลงไปเนี้ยไถเลี้ยงไปกับควายลงไปข้างถนนเนี่ยควายก็นอนหมอบอยู่ตรงนั้นขี่เต็มหัวรถเลยอีกตัวหนึ่งก็ประเจกตะกายขาลากคนในรถก็ตกตะลงึงขอรถอจอดได้เสีเยอีกองคหนึ่งท่านจะมีสติบอกคนขับรถว่าอย่าเบรกอย่าเบรกพระธรรมานั้นวิ่งเข้าสมาธิ พอยุดได้เปิดประตูปับ๊บถามเพื่อนหนึ่งว่าสมาธิคุณเป็นอย่างไรท่านองค์นั้นบอกว่าสบายมากอันนี้ก็มีคาถากันหลายตายไว้นะคาถากันหลายตายได้จะเล่าให้ฟังท่านคงใหญ่แตรอดรอคอยหน่อยได้จะเล่าให้ฟังนี่มันเป็นอย่างนี้เราจะต้องมีสติมีสัมปชัญญะตรงนี้อะไรจะเกิดขึ้นเสมอเมื่อคนไม่มีสิ่งเสมอเมืวว่อคนไม่มีสตินะที่ไหลายตาย โดยเฉพอย่งยิ่งคนไทยที่ไปอยู่ในต่างประเทศในต่างแดนคิดถึงบ้านคิดถึงทองมีความตึงเครียดหนาทีการ น, นั้นีสิ้นพลุงพลังบีกันนอนบางทงเกือบจะไม่หลับนอนงาอานาาาา้างมือไก่นาผาพิษไปพิษมาฟ้าแจ้งจางปลาแล้วก็ไปเจองานหนักอีกคิดอะไรเมื่อที่หว่าตัเงินเดือนออกได้เท่านี้จะส่งไปใช้นี่เท่านั้นยิ่งอยู่ในซาอุดีอาระเบียเงินเดือนออกช้าๆอืดอดโอ้จะบ้ากันตายแล้วมีอาการไหลาตายอีกเหมือนกันทางซาอุดีอาระเบียหลับตายไปเลย ส่วนมากนั้นเราจะเห็นได้อันหนะ่งที่น่าคิดมากที่สุดอาตมาเคยไปอยู่มาหลายเมืองเคยไปช่วยเหลือคนไทยที่ตกทุกได้อยากตนเองต้องไปติดคุกพอถูกแฉฟ้องกลับบางครั้งยังไม่มีเหตุผลเขาจับเขาคุกซะก่อนแล้วก็พอใจติดคุกเพื่อการกุศลช่วยคนงานไทยเราเหมือนกันมีความรู้สึกจากนี้แต่ปรากฏเห็นเป็นจํานวนมากคนไทยที่ไม่รักตัวคนไทยที่ไม่ตั้งอยู่ในสิลในธรรม ไปถึงกฎหมายเขารุนแรงมากไม่ให้กินเหล้าเมายาตนเองไปต้มอะไรต้มแล้วก็กินขายร่มรวยเพราะขายเหล้าเนี่ยเป็นจำนวนมากแต่เส้วเงินจำนวนนี้ก็ไม่ไม่ไม่ทำให้เขาร่ารวยหรอกเขาก็มาใช้ฟุ่มเฟืยไปการนี่ก็ตามบางคนเนี่ยสมัครไปทำงานเมือง น, นอกไม่ไปทำอะไรไปทำเหล้าขายขอให้่านได้ไปไปเล่นให้เราอีเจ๊ะนี้เอง บางคนเงินเดินออกหมดเนื้อหมดตัวพวกเล่นเฮลโลไม่รู้จะทํายังไงสารพัดจะโกงกันฝังแม่เหล็กอยู่ในมือก็เอาลักษณะเช่นนี้เข็นฆ่ากันทั้งทางตรงและทางอ้อมเมื่อไม่มีเงินมีทองหมดล้วมเนื้อล้วมตัวไปเล่นแล้วก็เสียออกเสียใจนอนตัดกุ้มตายไปเลยก็มีเติงเทียกันไปเนี่และสิ่งที่น่าคิดอีกหนึ่งก็คือเหล้านั่นแหละไปอยู่เมืองนอกบางคนไปต้มเหล้าหายบางคนไม่ต้องต้มกินสกอดเลยเหล้านี้ทําด้วิดีไปซื้อยีดมา นี้ตึกระป๋องกระป๋องที่เขาเอามาใส่ขนมปังทําให้ขนมปังมันโคแต่คนไทยเราไม่อย่างนั้นซื้อมาทาเหล้าให้มันเป็นเหล้าโทเป็นไว้คนประวาตเด้แล้วไปซื้อแอปเปิ้ลซึงราคาถูกไม่เหมือนเมืองไทยมาหัน่นหั่นหันันันหั น, ห น, หนฝานดีๆก็ใส่เข้าไปในกระติกเรียบร้อยก็ใส่นี้เข้าไปใส่น้ําเข้าไปแช่หมักไว้เอาไปซุบไปซ่อนไว้อย่างดีกว่าเจ้านาเขาจะเห็นสามวันฤทธิมันออกลทธิ์จะแล้วทีนี่มันเป็นสาขึ้นมาที ภาษาฝรั่งเลยว่าด็อกสิงด็อกสิงเนี่ยอย่างนี้เลยคือว่าด็อกสิงคือสิ่งที่ทําให้มั น, ม, นมันเมามันเป็นตาว่าเป็นเหล่าโค่นนั่นแหละแล้วมันก็หอมกุ่นเลยถ้าใส่เข้าไปกระป๋องหนึ่งกลัวมันไม่แข็งพอใส่เข้าไปทั้งสองกระป๋องเลยหอมกุ่นแข็งมากตุ้ยแล้วก็เมาตีตกตะกั่นไปเลยกองเดียวเนี่เมาจำหน้าก็ไม่ได้แล้วบางทีตี้เลยบักหนา ม, มาวบะสน เลือกห้องเดียวกันเลยเห็นหน้าแล้วเป็นหมาเลยดูสิเป็นจําไม่ได้จาชาติก็ไม่ได้เป็นชาติไทยมาเดยบักชาติหมาเลยว่านั้นเดือห้องเดียวก็ไปกันเยือบนเตียงเดียวกันโอ้ยสงสารนี่ดูสิกินจนจาหน้าไม่ได้เห็นหน้ากันเป็นหน้าหมาบักหนามาเลยวันนั้นนั่งนั่งขับชาติหมาวันนั้นมันเป็นขนาดนั้นเล่าพวกนี้ทําลายที่ไปต้มกันไม่รู้กี่ทีสุดไฟเพลิดแล้วก็กินกินแล้วมันทําลายขนาดไหนเนี่ยตัวยีพวกเนี้ย เมาบางทีทําลายประสาทําลายสมองกินแล้วให้หลับไปเลยหลับไปจะเดี๋ลืมลืมเป็นนี่ลืมเป็นสิลป์เสาเป็นนี่เสาเป็นสิลป์เสาเป็นผัวเสาเป็นพ่อเป็นแม่ไม่ต้องรับผิดชอบโวยคิดไปมันก็คุ้มโวยเงินเดือนก็ได้น้อยเงินเดือนก็ไม่ออกกินให้ไปลืมไม่จะลืมธรรมดาหละหลับหายไปเลยเีนี้ไม่ฟื้นมาเลยก็มีบางทีหนักไปกรนั้น เอายิปมาทำเหล้าแล้วยังไม่ต้มไม่ ก, กันกินมันสดๆเนี่ยไอเอพวกนี้มีอันตรายมากขึ้นหัวขึ้นตาตาเมือดตาโมตาบอดมันมาก็เยอะแล้วก็ยังไม่เข็บไม่หลับอาจจะมาไม่ไม่เคยไปดูคนงานไทยที่ทำงานจะสินกระป๋อมไม่ทราบว่าจะกินเหล้ากันอย่างนี้หรือปะถ้ากินยิปเหล้ายิที่มาทำกันเนี่ยแน่นอนท่านจะหลับไปไม่ต้องฟื้นเลยเพราะมันไม่มีสติคนที่นอนไหลาตายนั่นคือคนไม่มีสติ พระพุทธเจ้าจึงบอกว่าบุคคลที่มีสติอยู่ทุกลมหายใจเนี่ยอย่างน้อยสันโตเจ้าปณีโตจะอาศัยเนะโกปนุ ป, ปนเนยจะป่าปะเกกุศเลทำเมธานาโซนตรฐ า, าเปติลูปาสาัสเมติข้อภัยผู้เป็นุษาบาลีอย่างน้อยถ้ามีสติอยู่ทุกลมหายใจอยู่นี่จะทําให้เกิดความสงบความปานนิ่งความเย็นชื่นใจความคิดฟุ้งซ่านลําคานอาบาปอากุศนทำอันลามออกเกิดขึ้นแล้วอันตรท า, านไปชั้นทีถ้ามีสติอยู่ทุกลมหายใจ แล้วยิ่งว่านั้นท่านบอกว่าทําให้เป็นผู้บรรลุธรรมตั้งแต่โซดาดาบันสิกขาคาอนาคาอรหันแหละในชาตนี้ทําไมได้ถึงอรหันเป็นอนาคาหรือลดดัอลงมาจากนั้นก็จะเข้าถึงกาแฟแห่งธรรมและที่แน่แนที่สุดคือไม่ทําอาตารไหลาตายไม่หลงตายไม่ลหลงทํากาลละจะหลงยังไงมันรู้มันเห็นอยูอยากไม่ทุกลมหายใจเพราะฉะนั้น ในภาษาบาลีบอกชีวิตปริยนติกังเวทหนังเวทยะมโนชีวิตะปริยนติกังเวทหนังเวทยามีติประชานติสเว้เวทนาไม่ว่าจะเป็นสุขเป็นทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์อสุกรรมสุขขับก็ทราบชัดว่าเวทนานในที่ส่วนห่งชีวิตจะตายที่สุดแห่งชีวิตเคิดตายเพราะู้ชีวิตปริยนติกังเวทหนังเวทะยามีติประชานติประชานติทราบ รู้ทับว่าจะถึงที่ก็ถึงที่จะตายก็รู้แต่เราก็ไม่สามารถที่จะทําได้เพราะความง่ายจนเกินไปแล้วก็ไม่สนใจกันไม่มีสติอยู่แล้วก็ยังเอาเหล้าเอายาทานังอะไรมากินกันทาําไงสติลงไปแน่นอนมันต้องไหลายตายไม่ไหลายตายก็ขี่รถไปชนตายอะไรตายปัญหานี่มันประดังประเดมานั้นแก้กันไม่ได้แล้วก็มาทําลายสติสมปชัญญาคลุมคลั่ ง, งหลับไหลไปเลยหายไปเลยเนี่ยที่ได้คาถา กันไหลตายเอาขออภัยได้เวลามันจะหมาะซะก่อนท่านที่ปรารถนาคาถากันไหลตายมันตว่าถีคาถากันไหลตายเตรียมกระดาษจดไว้ให้ดีจะขอบอกเป็นภาษาบาลีคาถาอันนี้หรืว่าป้องกันสารพัดภัยกันไหลตายตว่ดถีได้อย่างสบายมากมีธีคําขึ้นต้น pues mm. ด้วยคําว่าคาเตสิคะเตสิ กิงกรณาอาหารติตังชนานิชนานินานเอาละนะนี่เพียงแค่นี้สหานีไกลไปสวนร้องท้องบนที่ใ น, ในนี้ทุ่งในท่าในปานในเขาขึ้นเครื่องบินลงรถลงเรือรับรองป้องกันสารพัดภัยตายก็ไม่ต้องกลัวคาเตสิคาเตสิกงกระนาอาหารติตังชนานิชนานิก่อนหลับก่อนนอนตื่นขึ้นมาพูดก่อนจะนอนเอารับรองไม่มีอาการไหลาตายทีนี้ยังไม่แปลให้ฟังนะ จะเพิ่งอยากจะรู้คำแปลเรื่องของเรื่องมีเรื่องเล่าเอาไว้ในพระไตรปิฎกนี้แหละสมัยหนึ่งหลงพระพุทธเจ้าหันเล่าให้พระเนรทั้งหลายฟังที่ในสมัยก่อนนู้นล่วงการก่อนพระพุทธกาลผ่านมาฉันนักเทศศาส ป, ป่าโมกที่เมืองตะกัศิลาเป็นศูนย์รวมแห่งการศึกษาิชาการต่างๆ ลูกเศรฐีกรุมภีและผู้มีอันจะกินตลอดทั้งกษัตริย์มหาศาลผามหาศาลในแว่นแควนต้องส่งตัวเรียนที่นั่นนิชาการต่างๆมารวมกันอยู่ที่ตักศิลาสู่รวมการศาึกษาในโลกของผู้มีอันจะกินคนนึ่งถูกส่งไปเรียนด้วยคนนี้เป็นคนกยันมากเลยเป็นคนกยันเอามากๆ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 พ่อแกไม่จดไม่จำนะอะไรเลยเฮ้ยโหขี่เลยคืออาตมานี่ล่ะอาตมานี่ยอมแพ้ให้ไปเรียนอะไรก็ไม่ได้สอบอะไรไม่ได้นะได้แต่ชั้นป .4 นะกทาตีกับอะไรเป็นอย่างไดรบนางเป็นเจ้าอาวาสกัเป็นไม่ได้ก็เลยหลอดตัวไปไม่ต้องเป็นอะไรเป็นอาจารย์ระพอพอ่พอเที่ยวไปเที่ยวมาตลอดตลอดมันอะได้อย่างนั้นหมู่เดียวเขาจะให้เป็นอนยะ่งคนนวนี้อันนี้ก็เหมือนกันคนนี้แกไม่ได้อะไรเลยไปเรียนกคาถาอะไ ร, ไ ป, ร, ะ ไ, รไปเรียนอะไรก็ไม่ได้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 เมื่อลูกเรียนไม่ได้หัวไม่ดีสมองไม่จดจำเมือกดเอิร์ก็อย่าเสียใจเลยลูกเอ้ยตั้งใจเรียนเอาคาถาพ่อจะให้คาถาแล้วเธอกลับบ้านรับรองไม่มีอันตรายโภยภัยอะไรป้องกันตนเองได้เธอจงเชื่อฟังครูบาอาจารย์เคารพนับถือนะนบเสร็จเ้าเท้าใส่หัวให้เคารพครูบาอาจารย์เคารพพ่อแม่มีคาถานี่มันคขลามหน่อยนะคขลามคือต้องเคารพเชื่อฟังพ่อแม่เคารพครูบาอาจารย์นบไส่เก้าเท้าใส่หัวเท่านี้เอง เธอจะไม่มีอันตรายโยภัยใดๆและจะสวัสดิภาพปลอดภัยเจริญรุ่งเรืองในที่ทุกข์ทันในการทุกเมื่อเอา้าเธอเริ่มเรียนคาถานี่เลยอาจารย์ก็จดคาถาให้ว่าคาเตสิกาเตสิกินกรนาอาหางติตังชนานิชนานิข้อ น, นี้แกก็ดีใจเอาละฉันจะเรียนเอามันแข่นี้ละเจ็ดปีเม่ไหนอะไรก็ให้มันได้แข่นี้แกก็เรียนเอาไปมาแกก็ได้อาจารย์ถามมาเธอได้หรื อ, อยังได้แล้ว ไหนร้องไห้ฟังได้แก่เราปออ๋ออะไรคาเต้สิกคาเตสิกิงกระนาหังติตังชะนาไมชะนาไเอ้าวละแต่ว่าเธอได้เธอจงระลึกถึงครูบาอาจารย์เธอจึงเชื่อฝั่งพ่อแม่แล้วเธอจึงท่องกคาถานในจิตในใจให้ขึ้นใจตลอดไม่ว่าเธอจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนจะไปไหนตื่นดึกลุกชาเวลาใดกอดตามตื่มมาเธอพูคนนี้แก่ก่เชื่อและก็ได้กับบ้านสมใจนึกบางลําพู ในขณะที่แกกลับไปบ้านพ่อแม่ก็ดีใจเลยแม้ลูกจากไปเรียนสำนักศิษย์สพปหอกของด้ปริญญามาตั้งเ็ดปีมากราพ่อแม่เขาลบชูบาอาจารย์ท่านบอกให้กราพ่อกราบแม่ให้เชื่อฟังเขาลบลูกดีใจที่ได้มาพบพ่อพบแม่พขาแม่ก็บอกนี่พ่อแม่ก็แสนจะดีใจลูกเออเจ็ดปีที่เธอจากไปเธอให้อะไรให้พ่อแม่ชื่อใจบ้าง ลูกไนี่เป็นคนหัวไม่ดีเลยนอะไรก็ไม่ได้หรอกพ่อเอ๋ยแม่เอ๋ยตั้งใจที่จุดมันก็ไม่ได้มันปึกลูกก็ได้แต่คาถาดา้คาถาอะไรลูกมณตวัตผีคาถากันไหลตายไหนลองเล่าให้พ่อฟังทิแล้วอกก็เล่าให้ฟังคะเตศิกเติกินกรณนาอาหารติตันธนานิธนานทั้งนี้เอง โอโ้ยพ่อกับแม่ผิดหวังเลยเกินนึกว่าลูกจะได้เป็นเรื่องปราชบัณฑิตกลับมาจะได้ไปทํางานเป็นบัณฑิตเป็นตุโรหิตของพระราชาที่ไหนได้มาได้มนแ่เละท้อนี้ก็อาจารย์ท่านให้ระลึกถึงบุญคุณเสมอให้เชื่อฟังพ่อแม่พ่อแม่จะดูถูกจะเยียวยาเมื่อลูกไม่มีความรู้เจดปีได้แค่นี้ลูกก็กดไม่ได้ถ้าโกลาแล้วคาถานี้ก็จะไม่ดีถ้าเกียดชั้งพ่อแม่ถ้าไม่เชื่อฟังพ่อแม่คาทานี้ก็จะไม่ไดี ต้องเคารพครูบาอาจารย์แกครับบริกรรมของแกว่าของแกงเลือดสวยไปเอาเวลาไป็นว่าวันหนึ่งวันหนึ่งแกนอนตื่งขึแกก็พูดวันหนึ่งพระราชาอห่งพระเจ้าผมมาทัดถึงกรุงเมืองพา ร, ราณสีเนี่ยก็บอมพระองค์ ตอมตัวออกมาเที่ยวดูพระุกในกรไฟฟ้าอนาประชาราชเขาดูเย็นเป็นศุกกันฉไ น, นถ่าไปในน้ำพระราชาเขาแต่งอะไรทักชนะีลยหน้าเมื่อในหลวงจะมาบ้านเราสมเขาจเจริญคงทิวปีสว้เราจะต้องไปถึงืสามันจนก็นลอบออกมาในพนระนครจนออกมาถึงบ้านจนออกมาถึงบ้านของนายคนนั้นและเจ้าอยู่หงกก็แอบเข้าไปใต้ต้นาขามมุกไกบ้าน บังเอิญเห็นโจรกำลังแแะบบ้านกำลังไปนี่ไปหน้าตักสองสามคนบ้านก็เป็นบ้านค่อนข้างจะมีอันจะกินนะจิงสง่งลูกไปเรเมืองนอกถึงตะกะเซราได้แต่บังเอิญในขณะนั้นนายคนนั้นต่นอนหลับแล้วก็ตื่นมาพอดีพะตูขึ้นมาแกก็ก บ, บอกว่าคเตศิกคาเตศิกเต็งกรณาอาหางไิตันชนามิชนามิโจรโดดเลยสามคนนี้โดดหน้าต่างเลยวิ่งต่ำ ม, มื้อต่ำไรเอพระราชาแปลกใจนี่มันอะไรกันเนี่ยนี่มันอะไรกันเนี่ย ในที่สุดก็เลยขึ้นไปเห็นคนนี้เติร์ดมาก็เลยถามว่าท่านพูดอะไรเมื่อกี้เนี่ยฉันเห็นพวกตนอยู่ตรงนี้กโดนลงหมดคนนี้แกไม่รู้จักพระราชาก็บอกว่าผมแส่คาถาคาถาตวาดผีคาถาตันไหลตายเออพระราชาบอกว่าเข้าถากเข้าถาท่านสอนให้เราได้ไหมบอกได้แต่ท่านจะต้องเชื่อฟังครูบาอาจารย์ต้องเคารพนะและลึกถึงถ้าท่านไม่เชื่อฟังครูบาอาจารย์ถ้าท่านไม่เคารพผมเอง คาฐานนี้ยจะไม่ดีเลยพระราชาก็บอกว่าเอาละ่ะเราจะเชื่อฟังเราจะคารุดแต่เคารุดท่านก็กลับสิก็กลับพระราชากลาบแล้วแกก็ไม่รู้ว่าเป็นพระราชากลับแล้วแกก็สอนคาถาให้คเตสิคาเตสิกินกรานาอาหารติดตังฉนามิฉนามิให้เจ้าเชื่อโอวาอาจารย์ให้จะาคารุพ่อแม่เชื่อฟังพ่อนี่และท่านทองบนอยู่ตลอดการไม่ว่าจะรับเต็นยืนเดินนัง่งนอนหลับแล้วแล้วไปเตขึ้นมาแล้วเซตพูดต่อ แต่าันดังหลายกลัวผีเนี่ยมากลัวหลายตายเสกดินอนตื่ขึ้นยังได้วก็ไปกว่ามันไปอย่างนี้อเสร็จแล้วพระราชาก็ได้แล้วก็กลับไปสู่พระบรมมหาราชวังไม่ได้บอกว่าตนเองพระเป็นพระราชานี่อวันพระราชาท่องมอนี้จนเคลื่อนใจอินเดียมแจ่มใสวันหนึ่งในขณะที่ช่างกําลังตัดผมช่างกําลังตัดผมพระราชาน่ะตัวต่อตัวนังอู่ด้วยกันช่างตัดผมกําลังตัดผมแล้วช่างตัดผมไม่เกาะ ไปฝนนิดไปเล็กีก่อนพอระเล็บมีกอนแล้พระราชาก็พูดว่าคาเตศิกคาเตสิกุ่มกรนาอาหังตุตันธนานิฉนา ม, นามิคนที่กําลังฝนนิดก่อนนี้ก็ก้มลงกราบหน้าทอขี้เลยผมยอมแล้วข้าพระองค์ยอมแล้วข้าพระองค์ผิดแล้วมือสั่นเลยหน้าทอขีเอานี่เป็นอะไรพระราชามองเห็นก็รู้ทันทีด้วยความรู้เห็นพระราชาม่เชื่อ ไอ้นี่มันจะปองพระทนเรามีหวาพอเราพูดคำนี้มันหวาดกลัวนี่กาถาของเราได้ผลต้องเลยซ้ํำเสมอว่าใครจ้างมึงมาใครจ้างมึงมาทําอย่างนี้มึงดูสารภาพมาเดี๋ยวนี้นี่คนนี้มงตายคนนี้ก็บอกว่าเสนาบดีผู้บังคับบัญชาการทหารสูงสุดของพระองค์จ้างหม่อมฉันเอามันว่าอย่างไรเอาบอกมาฉันจะไม่ฆ่าแกดอกบอกมาเลยเพราะว่าเสนาบดีนี้ให้หม่อมฉันเมื่อเมื่อมาตัดผมและเวลาจะโกนนวด โนพระมัทสุแลให้เชื่อดคอพระราชาให้ตายเมื่อพระราชาตายแล้วนายคนนี้แกก็จะเป็นพระราชาและจะให้มอมฉันีเป็นเสนาบดีผู้บังคับบัญชาการทั้งหานทุกๆโดยบอกว่านี่เอนาน่าโง่เขาจะให้แกเป็นพระเป็นเสนาบดีได้ยังไงเมื่อแกเชื่อดคอพระราชาเสร็จเขาต้องเชื่อดคอแกอีก เพราะตั้งแต่ระราชาที่แกตัดผมมาตลอดแกก็ยังเชือดไายใ่เป็นไสนาบดีจะไม่ตเชื่อเขาอย่างเขาต้องเชื่อขอแก <Okay. S 1> เอาละทุกอยไว้ที่พี่แกไม่ต้องกวงแกไม่ต้อง่วงแล้วทำยังไงแกบอกว่าพระราชาบอกแกเข้าไปในครัวไปเชื่อดไก่แล้วเอาเลือดไก่ทาตามมือตามให้โกนึงแดงแล้วก็เดินไปบอกเสนาพอดีเราจะนอนทําท่าตายอยู่ตรงนี้ไปบอกว่าฆ่าแตงแล้วป ร, ราชา คนนี้ก็ทําตามไปบอกเสนาบดีเสนาบดีก็ชื่นใจเป็นในสหายเรียบร้อยไม่เรียบร้อยคอขาดเลยนุ่นคอตกนอนอยู่นุ่นเก้อี้นุ่นคอภาพกิตตุนนุ่นเลือดสาดไปหมดเลยก็พากันมาชื่นชมในขณะเดียวกันพระราชาก็ให้ทหารรักษาพระองค์แอบซุ่มอยู่พอเสนาบดีมาถึงเห็นว่าตายแน่แล้วก็หันหน้าไปหาหันหน้าไปหานายช่างการะบบอกพร้อมทหารคนเสนาบดีจับมันเลยที ข้ามันเด็กนี้ไอคนนี้ตรงพุทธนราชาเห็นไหมล่ะตะวัดทันทีเลยสังให้ทหารคนสนิทจับมันเด็กนข้ามเลยเห็นไหนี่ยมันปมพุทธนภาชาในขณะเดียวกันพระราชาก็ลืมตากค่อยๆเลืมตาขึ้นแล้วก็ลรู้เขน่อนว่าช้าก่อนเสนาบอดี้ท่านกําลังทาอะไรในขณะเดียวกันเซนาบดีหันกลับมาปันลึงเมื่อเห็นพระราชายือดขึ้นแล้วลูกสอน ทั้งสองจากอมตะมหาดเล็กก็ต้องไปที่เสนาปฏิและที่บอกว่าเราเชี่แรนที่เลี้ยงท่านม า, มาเลี้ยงเจ้ามาไว้ใจแต่เจ้าก็จะรอบปองพชนเราเจ้าเห็นไหมนายช่านก็นก่าบอกหน้าโง่เราบอกแล้วว่าเหมือนจะต้องเชื่อขอเจ้าถ้าเจ้าเชื่อเราได้ดีูสิท่านจาไว้แกจําไว้เอาละแกได้ทําคุณงามความดีต่อประเทศชาติมานานความชั่วแกมีครั้งนี้ฉันจะไม่ฆ่า แต่แกตง้งในประเทศตนเองออกไปให้พ้นมณนครเลวที่สุดนายท่านเห็นเสนาบอดีผู้ตกย่าก็ออกไปแผนมันแตกเสร็จแล้วพระราชาก็ไปเชิญครูบาอาจารย์ที่บอกคาถาให้ให้มาเป็นเซนาบอดีแททั้งหมนนี่คืออะไรเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังคำํำหมายทั้งคนมีสติอยู่ทุกลมหายใจทุกขณะจนรู้จักว่าตนเองทําอะไรก็รู้ นายช่างกันระบกคนนี้จะมาตัดผมให้พระราชาถูกจ้างมาจากเสนาบดีว่าให้แกเชื่อพอพระราชาฉันจะให้แก่เป็นเสนาบดีและฉันจะเป็นเสนาบดีแทนในขณะที่แกจะเชื่อพอพระราชาแกไม่มั่นใจว่าจะเชืออเข้าหรือไม่เพราะว่าพระราชายอมมี้จะบะมีเดชะก็เลยขอรับมีกรในขณะที่รับมีกรพระราชา เห็นวาว่างก็เลยท่องคาถาขึ้นมาคาเตสิคาเตสิจิงกรณนาอหังติตังชนานิชนามิค า, าถานี้ถ้าแปลออกมาเป็นภาษาไทยแล้วท่านผู ก, นกกลัวผีหลอกท่านผูกกลัวผีเนี่ยไม่จะมากินหัวกลัวจะไม่ขังส ก, ก่อดเพราะความจริงอันนี้เป็นคาถากันได้จริงๆต่หวาดจริงๆคําว่าคะเตสิคาเตสิจิงกรณาแปลว่าท่านพยายามทําอะไรทําอะไรอหังติตังชนานิชนะนิ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 อหังติดตั้งธนาณิธนาณิเรารู้เรารู้ว่าท่านกาลังทําอะไรเทียนแค่นี้เองอั น, นเป็นมนต์ตะวาดผีกันไหลาตายถ้าแปรออกมาจะเป็นอย่างงู้เราทั้งหลายรู้หรือไม่ว่าเดี๋ยวนี้เรากําลังทําอะไรเราไม่รู้จะไปรู้คนอื่นได้อย่างไรแม้แต่ตนเองก็ยังไม่รู้ จะไปคาเตสิคาเตสิกินกรนาท่านทําอะไรท่านทําอะไรอหางติตังเจนามิจนามิเรารู้เรารู้เดียวนี้อย่าว่าแต่ท่านทําอะไรเราทําอะไรเราทําอะไรเราก็ไม่รู้เราจะไปกินเหล้าเราจะไปกินเหล้าเราก็ยังไม่รู้เรากลัวย่านตายเราก็ยังไม่รู้ว่าย่านตายคือหนังทําไมจึงย่านตายไม่รู้เดนี้มันอยู่ที่ว่าเราไม่รู้ในสิ่งที่เราหลงแต่เรากลับหลงไปในสิ่งที่เรารู้ มันเลยมีปัญหาที่สุดสิ่งที่ตาเข้าไปเห็นสิ่งที่หูได้ยินสิ่งที่จมูกได้กินสิ่งที่รินเข้าไปได้รดกายสัมผัสใจได้นึกคิดคิดก็หลงไปในสิ่งที่ตาหูจมูกรินกายใจรู้ทำอย่างไรจึงจะรู้ในสิ่งที่หลงเดี๋ยนี้เราหลงไปในสิ่งที่รู้เขาโฆษณาสิ่งใดมาหูได้ยินรู้เขาทางหูก็หลงเข้าไปแล้วอยากได้สิ่งนั้นอยากมีสิ่งนี้เห็นสิ่งใดเป็นที่ ถูกใจต้องตาก่อนหลงลงไปสิ่งนั้นามมครอบงําจิตใจอันไปหมดเลยเมื่อเกิดความอยากก็เกิดความทะเยอทยานเลยถูกเขาหลอกเขาต้มถูกเขาหลอกไปสิงคโปร์ถูกเขาหลอกไปซาอุดิอาระเบียเพราะความหลงลงไปในความรู้รู้ว่าเขาพูดไปจินวนจะได้เงินเดือนมากมาอยู่ทําไมทุกๆเรื่อยงยากลำบากในภาคอีสานบ้านเรา ไ, ไปทํางานในทะเลลงเรือ หาปลามีเงินมีทองแล้วเขาเอาผู้หญิงไปล่ออยู่ในเรือก็หมดเงินหมดทองเขาเอางานพนันไปล่อก็หมดเลยเรียกว่าหลงไปในสิ่งที่เราทำไมเราจะไม่รู้ในสิ่งที่เราหลงถพลหลงไปในสิ่งที่เรารู้มันก็ไม่คาเตสิกคาเตสิกจิงตราณาถ้าหากเรารู้ในสิ่งที่เราหลงโอ้เดี๋ยวนี้เรากําลังเป็นท่าของอบายมุกโอ้เดี oh, ๋ยวนี้เรากําลังนุ่มหลงปรารถนาสิ่งที่ม <News> ันสดใสัยเราเราจึงต้องเอาไรเอาเงินไปจำนองไป การเข้าไปเมืองนอกเมืองนาหน้าบ่อนหน้าตีาห่ายซองบ่เห็นคนโบร า, านบอกในที่สุ ก, ก็ตําหลงไปจริงๆขายไรขา ย, ขายนาะไรนาะไปจำนองไปเมืองนอกแล้วไปกัดกลุ่มใจทํางานทําการไปคิดไปกลุ่มไปที่อยู่ที่อาศัยแอาอาจจะเยอะก็ให้เยอะก็จูไปซ้ำตายคิดไปคิดมาเอากลุ่มใจไปหายีดมาทําเหล่าซื้อเหล่ามากินกินแล้วก็เมาหลับม้อยสลบไปเลยหลับไหลตายไปเลยอย่างนี้แหละ เราเรียกว่ารู้หลงไปในสิ่งที่รู้เราจะต้องมารู้ในสิ่งที่เราหลงหลงอบายยมกุกหลงละเอียดทำการงานหลงทะเยอทยานอยากจะไปเมืองนอกเมืองนาแม่นจะยึดจูอย่างพึ่งฝนกินยังทางอีสานแต่ห้าวแก้วกินยังกว่างเคลื่นมาสากักหน้าสวนหัวให้บดีบอ่อโยนน้ำพวนเนี่ยน้ำโลกเต่าซ้ำเถ่าแก่ตายถ้ามาเห็นคลองหายเป็นดีมีคาเห็นด่านดาวดองกว่างวาแป้นสกัดโดดหลดเต็นไปหนาวาสิงลวยเลยไปเป็นกันอย่างนั้น ทิมก็ะเยอะยานเป็นอย่างนั้นทั้งนี้ก็ยานตายเองอ้าวเขาโฆษณากคนหลงรู้ ว, ว่าเขาเล่าให้ฟังว่าผีมใหม่จะมาเอาพัวหลังจากนั้นก็จะไหลาตายในที่สุกเกาะหลงเข้าไปในสิ่งที่รู้ทางหูสิ่งที่รู้ทางตาย่านตายไปซื้อยามาทาแล้วไปซื้อลิขิตมาทาปากอ้าอีก น, นก็ซื้อเสื้อยกทรงมาใสา่ซื้อผ้าทงมาใส่ปุ๊บไปกันใหญ่เลยนี่เรียกว่าหลงเข้าไปในสิ่งที่รู้ เป็นกระต่ายเติมตู้เขาวาอีกยังกับเสื่อเขามดเอาเนยเอาด้วยช่วยกระพือเหมือนกับซื้อตอมหาเที่ยวหากินก็มาลอกมาต้มยังไงไปกันหมดคนอีสานบ้านเราหลงในสิ่งที่เด้รู้ทําไมไม่รู้ในสิ่งที่หลงรูลล้ในสิ่งที่หลงก็จะหมดไป